พระปิลินทวัชชอาพาธเป็นโรคลมเรื่องน้ำมันหุงสอหสสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชอาพาธเป็นโรคลมพวกแพทย์กล่าวอย่างนี้ว่าต้องหุงน้ำมันถวายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ